เล่าวคือไม่มีการเย่อหยิงอวดดีไม่ดูถูกผู้อื่นรู้จักประมาณตัวไม่หลงลืมตัวความรักตัวเองในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงควรแก่การยกย่องแต่แล้วเราก็จะพบว่าความรักแบบนี้แหละได้กลายเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ต่อการปล่อยวางในเรื่องตัวตนซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเราเข้าถึงความหลุดพ้น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 ที่จะช่วยประสาสัมผัสก็มีขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาจะไม่ยึดถือในความคิดของตัวเองจนเกินไปรู้จักปล่อยวางซส้บ้างเขาก็จะพบความจริงอีกระดับหนึ่งคือความจริงที่อยู่นอกเหนือประสาสัมผัสและความจริงที่ว่านี้ถ้าหากคนไหนเรียนมาให้ถูกวิธีก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวของตัวเองว่าเป็นความจริงเรื่องวิญญาณเป็นต้นกาเนิดของวัตถุ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 ถ้าเป็นคนมีสมาธิถึงขั้นมโนโมยิธิแล้วก็สามารถที่จะสร้างกายทิพย์ที่ว่านี้ได้ทุกครั้งตามความตั้งใจเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ได้มโนโมยิธิได้ตาทิพย์ระลึกชาติได้จึงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับคนประเภทนี้กล่าวคือเขามีความแน่ใจอยู่ตลอดเวลาว่าวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดวิญญาณเป็นต้นกาเนิดของวัตถุ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 แนวความคิดที่ทำให้เชื่อว่ามีอัตตาหรือมีพระผู้เป็นเจ้านั้นถ้าศึกษามาตามแนวนี้ตั้งแต่แรกและศึกษามาให้ถูกวิธีตามแนวของเขาก็จะพบว่ามีเหตุผลที่สนับสนุนความเชื่ออันนี้อยู่มากมายเพราะฉะนั้นคนที่มีความรอบรู้ในลทัทธิศาสนาที่ถือว่ามีอัตตาและมีพระผู้เป็นเจ้านั้นจึงมักจะฝังหัวไม่ยอมเปลี่ยนความคิดง่าย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 เพราะเป็นมติที่ได้ข้อสังเกตได้ข้อเท็จจริงมาแบบเดียวกันมาแยกกันในตอนปลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเรื่องอนัตตาได้ทรงค้นพบเรื่องนิพพานเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงปฏิเสธเรื่องอั ต, ตาและเรื่องพระผู้เป็นเจ้าและถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการปล่อยวางหรือเรื่องตัวตนซึ่งจะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยเด็ดขาด คำอธิบายที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้เป็นคำอธิบายโดยแนวสังเขปซึ่งแต่หากจะแยกประเด็นแต่ละหัวข้อออกอธิบายกันอย่างละเอียดแล้วก็จะต้องเพิ่มหน้ากระดาษขึ้นอีกมากมายและข้าพเจ้าก็รู้อยู่ว่าคนที่จะอ่านคำตอบตามที่อธิบายมานี้เข้าใจจริงๆนั้นหาได้ยากมากแต่ใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็าตามก็ควรจะได้ฟังเอาไว้บ้างเพราะว่าบางทีสักวันหนึ่งข้างหน้า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 คลายความร้อนแฝงที่มีอยู่ในวัตถุแต่เป็นพลังงานฝ่ายนมามธรรมซึ่งคนจะรู้แจ้งได้จริงต้องได้อภิญญาหรือสมาธิขั้นสูงพอก่อนเท่านั้นซึ่งในหนังสือเล่มนี้อาจารย์พรท่านก็ไม่ได้อธิบายหรือพูดถึงเรื่องวิญญาณแฝงนี้เท่าไรนักมีเพียงกล่าวถึงสั้นๆในบางช่วงแต่ท่านอธิบายไว้ในหนังสือเล่มอื่นอีกหลายเล่มในเวลาต่อมาน่าจะเพราะเป็นเรื่องปลีกย่อยลงลึกที่เข้าใจยากต้องอธิบายกันมาก จึงพูดถึงแต่ประเด็นสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนกับเรื่องวิญญาณสองประเภทหลักคือวิธีวิญญาณหรือจิตสานึกกับผวังควิญญาณหรือจิตไร้สานึกซึ่งท่านก็บอกไว้ก่อนแล้วนะครับว่าท่านยกมาอธิบายให้เข้าใจเบื้องต้นเพียงแค่สองประเภทก่อนเท่านั้นแต่ยังมีประเภทอื่นอีกแล้วรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณ น, นั้นมีอีกมากและหากเข้าใจได้จริง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 ถ้ามาถูกทางจะต้องมีจุดหมายตรงกันคือพระละความยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นเราหรือให้เห็นไตรลักษณ์ในกายใจนี้ให้ได้ในที่สุด